ทีนี้สูตรที่สามนะครับว่าโมหะสูตรนะครับว่าด้วยละโมหะได้ก็เป็นพระอนาคามีจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมะอย่างหนึ่งได้เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอนาคามีนะครับ ธรรมะอย่างหนึ่งเป็นชนะดูการพิสูจนทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมะอย่างหนึ่งคือโมหะได้เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอนาคามีนะครับพงรับรองนะถ้าละเธอละโมหะแต่นอนาคามีนะคือตรงนี้เนี่ยนะครับพระองค์แสดงธรรมะสุดยอดแค่สักอนาคามีผลแต่ที่จริงโมหะจะละได้เด็ดขาดที่สุดเลยนะก็ต้องละที่ อหัตรมะแต่ที่กล่าวเนี่ยแสดงว่าแสดงธรรมแบบมีส่วนเหลือนะครับเป็นแสดงธรรมแบบสัพเพเทศะมีส่วนเหลือหมายเอาโมหะที่ที่ละได้ด้วยอนาคามิมักเนี่นะครับโมหะบางอย่างนะครับละด้วยโสดาปติมัคนะครับเช่นโมหะที่เกิดร่วมกับทิฐินะครับทิฐิทั้งหมดนะทิฏฐิขตสัมประยุติสดวงนะโมหะที่เกิดร่วมกับทิฐิเหล่านั้นเนี่ยโสดาปติมักละ มโมหะที่เกิดร่วมกับโลภะวิปยุติที่เป็นเหตุปฏิสนธิในอบายโสดาปิมัค ก, กละได้โทสะที่เป็นเหตุปฏิสนธิในอบายเนี่ยครับโทสะมูลจิตนั้นก็มีมโมหะเกิดร่วมด้วยมโมหะที่เกิดร่วมกับโทสะที่เกิดขึ้นแล้วเป็นเหตุให้ไปสู่อบายพระโสดาบันก็ละได้หรือว่ามโมหะที่เกิดร่วมกับวิจิกิจชาถ้าโสดาบันก็ละได้เพราะฉะนั้น โมหะที่เป็นเหตุไปสู่อบายพระโสดาบันละได้โมหะที่ส่วนหนึ่งนี่นะครับพระสกทาคามีก็ละได้โมหะส่วนหนึ่งพระอนาคามีละได้แต่ว่าละโมหะได้เด็ดขาดไม่มีเหลือเลยอันนี้พระอรหันต์เงจะละได้อย่างบริบูรณ์นะครับแต่ตรงนี้แสดงแบบมีส่วนเหลือเอาแบบพระอนาคามีละนะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายรู้ชัดด้วยดีซึ่งโมหะอันเป็นเหตุให้สัตว์ผู้หลงไปสู่ทุคติแล้วละได้ครั้นละได้แล้วย่อมไม่มาสู่โลกนี้อีกในการไหนๆ น, นะครับก็คิดดูนะครับว่าภพภูมิที่หนานแน่นด้วยโมหะคือเดรัจฉานนะครับ<ม>เดรัจฉานเนี่ยนะครับงมงมงมมมเดินไปเนี่ยนะครับมันเหมือ น, นสังเกตดูมดนะครับ มากด้วยโมหะพวกมดพวกสุนัขสุกรกระบือทั้งหลายโคทั้งหลายเนี่ยนะครับสัตว์เดรัจฉานาเนี่ยโดยมากหนักไปทางโมหะนะครับโมหะเนี่ยหนาแ น, น่นมากนะครับโมหะกลุ่มรมแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีโลภะมีแต่ว่าไอ้ธาตุที่มันหนาที่สุดในนั้นนะครับคือโมหะนะครับโลภะมันก็มีแต่มันไม่มีกำลังเท่ากับโมหะนะครับเพราะฉะนั้นอบายคือประเภท เดราชาเนี่ยโมหะเนี่หนาแ น, น่นจริงๆเนี่ยนะครับภัยอะไรที่จะเกิดมันไม่รู้ซากอย่างเนี่ยนะถังแกดูมันอยู่ในสุ่มเนี่ยนะครับมันยังทะเลาะกันเลยนะด้วยอํานาจของโมหะนี่ยนะครับไม่รู้อะไรเลยนะครับน่าเห็นใจจริงๆเพราะฉะนั้นแต่ถ้าว่าผู้ที่ละโมหะได้ก็ไม่ต้องกลับมาสู่โลกนี้โดยการปฏิสนธิได้ในอัต ถ, ถาว่าบทว่าโมหังได้แก่ความไม่รู้จริงอยู่ ความไม่รู้นั้นมีหลายประเภทนะครับมีหลายอย่างโดยวิภาคในเป็นต้นว่าเนี่ย น, นะความไม่รู้ในทุกนะครับทุกเ์ยีญายานังใช่หมครับความไม่รู้ในเหตุให้เกิดทุกความไม่รู้ในการดับทุกความไม่รู้ในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกมันไอความไม่รู้หรือความโง่ในทีน่นี้หมายถึงไม่เห็นอริยสัจ ท, ทั้งหลายนั่นเองนะครับ จากศึกษาตรงนี้ทําให้เห็นอย่างหนึ่งเอ๊เนี่ยเรามองเห็นเนี่ยนะลืมตาก็มองเห็นสีมองเห็นอะไรทั้งหลายแหละเห็นเนเนี่ยเห็นไกลด้วยนะเอ๊ะทําไมว่าเราโมหะได้ยังไงนี่มันก็มองเห็นเห็นอยู่ว่าเราโมหะแต่ถ้าเอาอริยสัจมาจับปั๊บจะเห็นโมหะทันทีเอ๊ะนี่มองเห็นเนี่ยมีไหมครับ รูปรูปสมูทายรูปนิโรธรูปนิโรธถาคามินีปฏิปทานึกไม่ออกเลยนะครับเป็นยังไงใช่ไหมครับนั่นแหละคือโมหะอย่างหนึ่งคือเอาความไม่รู้อริยสัจมาเป็นเครื่องวัดจะเห็นชัดว่าสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละเรียกว่าโมหะนะครับเออนี่อาศัยตามองดูนะจะคูจกคูสมูทยายจกคูนิโรธจกคูนิโรธถาคามินีปฏิปทาก็มองไม่เห็นนี่แหละครับเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของโมหะไอ้ที่เห็นเนี่ยจิตนะครับเป็นสภาพที่เห็นอารมณ์จิต เอนะจะขูวิญญาณจะขูวิญญาณสมูทัยจะขูวิญญาณนิโรธจกคูวิญญาณนิโรธาคามินีปฏิปทานี่ครับวิชาเป็นแบบนี้แต่ไม่มีอ่ะเมื่อไม่มีนั่นแหละครับโมหะนะผัสสะทางตาเนี่ยจะขูสัมผัสจกขูสัมผัสสมูทัยจะขูสัมผัสนิโรธจะขูสัมผัสนิโรธาคามินีปฏิปทาก็มองไม่เห็นนั่นแหละโมหะ นะหรือว่าเมื่อภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาสัญญาตันหาเป็นต้นเนี่ยนะเวทนาเวทนาสมุทยัยเวทนานิโรธเวทนานิโรธคามินีปฏิปทาก็มองไม่เห็นนะครับหรือได้ยินเสียงเนี่ยเออเสียงเสียงสมุทยัยเสียงนิโรธเสียงนิโรธคามินีปฏิปทามีไหมครับถ้าไม่มีนะั่นแหละโมหะล้วนๆเออที่ได้ยินเสียงเนี่ยอาศัายหูนะโสตะโสตะสมุทยัยโสตะนิโรธโสตะนิโรธคามินีปฏิปทาไหนมีม ไม่มีนั่นแหละโมหะนะโสตะวิญญาณโสตะวิญญาณสมุทัยโสตะวิญญาณนิโรธโสตะวิญญาณนิโรธคามินีปฏิปทาถ้าไม่มีการพิจารณาอย่างนี้โมหะทั้งนั้นนหะครับนะทีนี้ถามว่าถ้าการพิจารณาชาติชรา ม, มรณะเป็นต้นนี้คือบริวารของทุกขสัตตกิเลสทั้งหลายเป็นบริวารของสมุทัยสัตถ์กุศลธรรมทั้งหลายเป็นบริวารของสายมรรคสัตว์เนี่ยนะมันก็ เอาบทธรรมคืออริยสัจมาตั้งแล้วก็พิจารณาธรรมะไหนอยู่ในกลุ่มไหนเป็นต้นเนี่ยนะครับเป็นไปเพื่ออะไรเป็นต้นถ้าไม่มีการเรียนรู้พิจารณาสิ่งเหล่านี้นะครับทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละเรียกว่าโมหะเนี่ยนะครับอันโมหะก็จะปกปิดความจริงหรือสัจธรรมเหล่านี้ทั้งหมดนะครับถ้าหากว่าไม่มีพระผู้มีพระภาคนะครับมาแสดงภาพปริยัติธรรมส่องให้เห็นเนี่ยมันนึกไม่ออกเลยว่าเราโมหะได้ยังไงนะครับ ทั้งๆ ท, ที่อยู่กับโมหะนะแต่ก็ไม่รู้ว่าโมหะมันเป็นยังไงนะครับมันมืดอย่างนั้นจริงๆอันโมหะนี่จึงมีโทษมหาศาลพระองค์บอกว่าเลยพระองค์ตรัสเลยนะข้างหน้าว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องกั้นยิ่งกว่าโมหะอีกแล้วนะครับโมหะเนี่ยนะบรรดาเครื่องกลางกั้นเนี่ยนะครับแต่ถ้าหากพระองค์ตรัสกับอชิตะมานพเนี่ยนะครับว่าโลกนี่อวิชชาเนี่ยหุ้มห่อไว้หมดเลยนะครับ หุ้มห่อไวเลยไม่เคยชําแรกออกจากอวิชามองว่าโลกโลกสมุทัยโลกนิโรธโลกนโรทาคามินีปฏิปทาเนี่ยยังไม่ออกเลยนะครับมันถูกปกปิดห่อหุ้มไว้หมดแล้วก็ตันหาก็ฉาบทาโลปไล่มันพลึนเลยหมดเลยนะครับม่วนขนาดเลยแต่เลยอยู่ต่อไปกันแล้วกัน่ะนะ <c oughs> ท่านกล่าวว่าโมหะเนี่ยนะครับเพราะอาจว่าเป็นเหตุให้หลงสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่น่าหลงแล้วครับแต่มีโมหะเนี่ยมันทําให้หลงขึ้นหรือว่าสภาวะที่หลงไปเองนะครับหรือเพียงความหลงเท่านั้นเพิ่งเห็นว่าโมหะนั้นมีความที่จิตมืดเป็นลักษณะจิตที่มันมืดไม่เป็นไปกับปัญญานะคือไม่มีปัญญาเกิดมองเห็นอริยสัจเป็นต้นนั่นแหละหรือมีความไม่รู้เป็นลักษณะคือไม่รู้อริยสัจสีนั่นเองมีการไม่แทงตลอดแทงตลอดบาลีว่าไง คำว่าไม่บรรลุไม่ตรัสรู้อริยสัพน์นั่นเองครับเป็นเป็นกิจของเขาอ่ะทำไม่ให้ตรัสรู้อะไรนะครับมีความปกปิดสภาวะของอารมณ์เป็นรัศัปกปิดสภาวะของอารมณ์นั่นนั่นเนี่ยนะครับปกปิดสภาวะไม่ให้เห็นสภาวะของอารมณ์พร้อมทั้งเหตุเกิดความดับอาสาธาอาทีนวะนิสรณะของอารมณ์นั้นนั่นเนี่ยนะมันปกปิดไว้หมดเลยมีการปฏิบัติลงลืมเป็นอาการปรากฏใช่ไครับ คำว่าลืมในที่นี้หลงในที่นี้หลงอะไรครับหลงจากคำสอนหรือข้อปฏิบัติตามแนวอริยสัจน้ น, นะหรือหมายค ว, าว่ามันทำให้กลางกั้นให้ห่างหายจากการปฏิบัติตามหลักมัชชิมาปฏิปทาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นใครไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะให้รู้เถอะว่านี่ โมหะทํางานของเข้าเต็มที่แล้วล่ะนะครับเนี่ยนะของเราก็เหมือนกันนะนี่ถ้าปล่อยให้โมหะแบบนี้กลุ่มรุมก็ไม่มีสภาพอะไรต่างกันเลยนะครับควรที่จะสังเวชใจมั่งกันหรือปรากฏความมืดมัวเป็นอาการปรากฏเนี่ยนะครับมันมัวจนเนี่ยนะบอกว่าพอพูดถึงเอางี้นะนิพพานเนี่ยพ่ฟังแล้วมันเป็นเรื่องที่มัวที่สุดเลยนะแต่ว่าพระอริยะทั้งหลายท่านก็มองเห็นชัดเจนนะครับพูดนิพพานปัท่านก็ชัดเจนอะของเรานี่มันมัวไปหมดถามว่าทำไมจึงมัวก็โมหะมัน ปลุ่มรมก็บอกว่ามีการไม่ใส่ใจเป็นเหตุใกล้มีอโยนิโสใช่ไหมครับเป็นเหตุใกล้นะอโยนิโสมนสิการนั่นเองคือไม่ใส่ใจโดยแยบคลายตามหลักพระธรรมคําสอนเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามีการคิดตามใส่ใจตามคําสอนก็เป็นเหตุแห่งปัญญาแต่เมื่อไม่ใส่ใจไปตามคําสอนนั่นแหละเป็นลักษณะของอวิชชาแล้วอวิชชานี่เป็นรากเงานะครับเป็นมูลของอกุศลทั้งหมดเลยนะครับนะโลภะ มูลจิตก็มีโมหะเป็นมูลโทสะมูลจิตก็มีโมหะเป็นมูลโมหะมูลจิตก็มีโมหะเป็นมูลอิสามัเชเรยกุกุจจทีนมิธาเป็นต้นนี่นะครับก็มีอวิชานี่แหละเป็นมูลนะครับโอ้มีหน้านะสังสารวัตมันจึงยืดยาวจริงๆเลยนะบัด น, นี้เพิ่งเห็นความแห่งบทว่าปชาหัตถ์เนี่ยนะที่แปลว่าละละเนี่ยนะบอกว่า คนหลงย่อมไม่รู้อัดนะนะให้พิจารณาที่จะละโมหนะเนี่ยนะเวลาโมหะไม่พิจารณาอะไรเกิดขึ้นนะจําคาถานี้ไว้ร่ก็ดีเหมือนกันครับ mm. ในเวลาซึมซึมเซ่อเซ่อทำเป็นงา ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆเนี่ยนะเอาคาถานี้มาร่ายทันทีคนหลงย่อมไม่รู้อัดคนหลงไม่เห็นทำโมหะครอบงําคนในขณะใดความมืดบดตลอดกาลก็เกิดขึ้นแล้วก็พินาศไปคาถานี้ไว้หาผมเนี่ยใช้คาถาพวกนี้แหละครับ เวลาซึมซึมไม่อยากคิดอะไรเลยอยากนั่งเบอะเบอะลอยไปเรื่อยเปื่อยนี่ก็คาถานี่มาท่องเออคนลงไม่รู้อัดเออนี่ซึมซึมแบบนี้เนี่ยมันรู้อัดอะไรมั่งเอาทุกสมุทัยนิโรธมักไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะก็มารายเนี่ดีนะครับควรทรงจำเอาไว้นะครับให้ให้มีธรรมะมากระแทะกระเทาะบ้างนะครับไม่ใช่ว่าโหซึมบริสุทธ์เลยนะครับเซอร์ถาวรโง่นิรันดร น, นี่ก็ไม่ไหวนะครับ หรืออาจจะพิจารณาสูตรที่ว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายอาวิชานี่นะเป็นส่วนเบื้องต้นของการเข้าถึงอกุศลกรรมเพรากายทุจริตก็มีอวิชานั่นแหละเป็นเบื้องต้นวจีทุจริตก็มีอวิชานั่นแหละ เ, เบื้องต้นมโนทุจริตก็มีอวิชานั่นแหละเป็นเบื้องต้นนะครับแล้วพระองค์ตรัสไว้ว่าสัตว์โลกถูกโมหะรัดเริงไว้ปรากฏดุจสิ่งที่น่าพอใจโมหะมันชาบทาเอาไว้เนี่ยนะครับ โมหะมันชาบทาไว้เลยมองมองมันมองวิปลาดไปหมดนะครับมองอะไรมันวิปลาดมันดูมันแหมมันน่าเพลิดเพลินเหลือเกินอยกตัวอย่างคนมีบุตรก็คนมีบุตรก็เพลิดเพลินกับบุตรคนมีทรัพย์ก็เพลิดเพลินกับทรัพย์คนมีโคก็เพลิดเพลินไปกับโคแต่เขารู้ไม่ว่าครับนั่นแหละสิ่งที่สิ่งที่เขาน่ารักหน้าปรารถนาที่ว่าไปนั่นต้นตอแห่งทุก์ทั้งหมดที่เขาจะได้มีต่อไปนะครับ พงบอกว่าเราไม่พิจารณาเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทโมนัตและอุปายาตเมื่อรูปนั้นแปรไปนะครับเพราะถ้าใครเพลิดเพลินในอารมณ์ใดๆนะอารมณ์นั้นจะพาเขาให้เจ็บช้ำน้ําใจที่สุดนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีบุตรอาศัยว่าเพลิดเพลินกับบุตรพอบุตรมีปัญหาเขา้าทุกที่สุดก็เพราะอาศาัยบุตรนะคนที่เพลิดเพลินกับแม่บ้านพ่อบ้านเนี่ยนะครับเมื่อแม่บ้านพ่อบ้านเปลีย่ยนแปลงไปเขาก็ทุกที่สุดเพราะ พราบ้านไม่บ้านของเขานั่นแหละนะครับหรือคนที่เพลิดเพลินเพราะบ้านถ้าบ้านมีปัญหาบ้านถูกไฟไหม้เป็นต้นเขาก็แทบช็อกเพราะบ้านนั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาเพลิดเพลินกับสิ่งใดเขาก็จะทุกกับสิ่งนั้นมากโดยที่สุดแม้แต่อริยะสาวิกาวิสาขานี่นะครับเพลิดเพลินกับหลานมากหออลานเรานี่ดีนะทําบุญให้ท่านแทนเราเนี่ย น, ะนึกเคลิบเคลิ้มไปพักเดียวหลานตายร้องให้เลยนะครับอนาาบินติกาเศรษฐีก็เหมือนกัน มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งแม้ทําหน้าที่ช่วยงานดีเหลือเกินด้านตายนี้จากเสียใจอีกนะครับเพราะเข้าไปเพลิดเพลินกับอารมณ์ใดก็จะทุกมาจากอารมณ์นั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นจงเห็นโทษของความเพลิดเพลินนะครับแต่ไม่ต้องไปทําลายอารมณ์อะไรนรั้นหรอกแต่ให้เห็นโทษของความเพลิดเพลินว่าเพลิดเพลินอันนี้นี่แหละ เป็นต้นเหตุแห่งวัตถทุกต่อไปนะครับอย่างน้อยก็ทุกเสียใจในวันนี้พรุ่งนี้หรือวันต่อต่อไปอย่างหนึง่งไอความเพลดิดเพลินอันนี้เป็นเหตุแห่งปฏิสนธิในพบต่อ ต, อตอไปนี่อย่างหนึง่งแต่สิ่งเหล่านี้น่ารู้น่าเห็นหน่าพิจารณามากแต่อวิชชาปิดไปหมดครับไมใ่ให้พิจารณาหรอกครับเพราะฉะนั้นไอศัตรูที่ที่มากับความมืดเนี่ยนะที่มากับความไม่รู้ก็คืออวิชชาเนี่ยนะครับในพระองค์ก็ตรัสบอกว่า โมหะเนี่ยเป็นเหตุเพื่อให้เกิดกรรมทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพิจารณาโทษในโมหะถามว่าโมหะเป็นเหตุให้เกิดกรรมยังไงครับอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจธรรมอริยสัจเนี่ยนะไม่รู้ในอดีตไม่รู้ในอนาคตไม่รู้ขันท่าทั้งที่เป็นอดีตอนาคตไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทธรรมความไม่รู้เหล่านี้บางครั้งเป็นปัจจัยให้เป็นทํากายกรรมก็มีวัจีกรรมก็มีมโนกรรมก็มี นะบางทีก็เป็นกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารเนี่ยนะหรือบางทีก็เป็นปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอาเนนชาพิสังขารเพราะอาอวิชชาเนี่ยเป็นต้นเหตุแห่ ง, หงกรรมทั้งหมดเลยนะครับเวนอริยมรท่านั้นแหละครับ หรือว่าพิจารณาโดยในเมียที่ว่าดูก่อนพรามคนหลงแหลถูกโมหะครอบงำมีจิตยึดแน่นย่อมประสบภัยเวรแม้ในปัจจุบันย่อมประสบภัยเวรแม้ในภายภาคหน้านะครับหมายความว่าทั่ววิชาแล้วก็กลุ่มรุมนะครับชีวิตก็มีปัญหาในชาตินี้ก็มีปัญหานะครับชาติหน้าต่อๆไปก็จะมีปัญหาอย่างนี้ไปเรื่อยอีกนั่นแหละ แล้วก็ควรพิจารณาโดยนายเป็นต้นว่าความพินาศใดๆพึงเกิดขึ้นด้วยความเศร้าหมองมีกามาฉันท่าเป็นต้นความพินาศทั้งหมดนั้นมีโมหะเป็นเหตุมีโมหะเป็นมูลรากนะครับนั่นนะโลภะเอย่ยโทสะเอย่ยที่เกิดขึ้นก็โมหะนั่นแหละเป็นเหตุเสร็จแล้วก็ต้องรู้อา น, นิสงส์ของการละโมหะโดยตรงกันข้ามกับโทษนั้นแล้วละโมหะด้วยแต่ทางข้าปรหารเป็นต้นในส่วนเบื้องต้น โดยลำดับการละกามฉันทาเป็นต้นนั่นเองจงละโมหะอันเป็นเอกของโลภะและโทสะตามที่กล่าวแล้วโดยสมุดเชทประหารด้วยตติยมักก็ในพระสูตรนี้ท่านประสงค์เอาโมหะอันอนาคามีมักพึงฆ่านั่นเองนะครับหมายเอาโมหะที่เกิดร่วมกับกับอะไรครับโมหะที่เกิดร่วมกับโทสะโมหะเกิดร่วมกับกามะ ราคะเป็นต้นเนี่ยนะโมหะเหล่านั้นนั่นแหละครับที่ที่เกิดร่วมกับสัมปยุตธรรมที่เป็นบาปอันนี้พระอนาคามีละได้ทะละอย่างนั้นก็ไม่มาปฏิสนธิในโลกนี้อีกในการไหนๆนะครับจริงๆแล้วถ้าหากว่าละโลภะได้นเนี่ยทั้งสามตัวนี่ก็เหมือนกันละได้ไปในตัวเนาะแต่ทรงแสดงด้วยอัธยาศัยเลยอัธยาศัยของผู้ฟัง ครับนะอย่างสูตรที่หนึ่งนี่ก็ไม่ต่างจากสูตรหลังๆนะแต่ว่ายกมูลอะไรเด่นชัดนะครับคือธาตุไหนหนาแน่นพงก็จะแสดงธรรมเพื่อกําจัดธาตุอ น, นันต์นะครับโรคเดียวกันแต่ว่าสมุทฐานเนี่ยไหนหนาแน่นนะนี้ก็เหมือนกันนะครับบางคนมีธาตุคือโลภะหนาแน่นพองก็ยกโลภะเป็นหลัก ถ้าธาตุของเขาโทสะหนาแน่นพระ อ, องค์ก็ยกโทสะเป็นหลักถ้าธาตุของคนนี้โมหะหนาแน่นอัธยาศัยมากไปด้วยโมหะพระ อ, องค์ก็ยกโมหะขึ้นเป็นหลักเขาจะได้พิจารณาธรรมะให้ถูกกับอัธยาศัยของเขาเนื่องจากพระองค์นี่ทรงรู้อัธยาศัยของเบญญศาสตร์ของเราดูมันจะหนาทั้งสามเพราะฉะนั้นก็เลยรับต้องรับทั้งสามสูตรนะครับพระพภิกษุสมัยพุทธกาลท่านหนาเป็นบางอย่างนะครับก็พระสูตรของเราก็หนาหมดเลยก็ต้องใช้ทั้งสามสูตรนี่นะครับ เพราะว่าเจออารมณ์ที่น่าปรารถนากว่าโลภะอารมณ์ไม่น่าปรารถนากว่าโทสะปกติก็โมหะเพราะฉะนั้นเอามาพิจารณาให้หมดเลยนะครับแต่ถ้าไม่พิจารณาก็พงก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับถ้าหากว่าโลภะโทสะโมหะครอบงมก็นี่แหละครับทุกขติเท่านั้นเองนะครับไม่เป็นไรเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกุ้งหอยปูปลาไปแต่ไม่ต้องชวนผมนะครับขอเก่ครับถ้าหากว่าเราจะพิจารณาโมหะนี้ เราจะพิจารณาย่างไรครับาก็ตามสูตรนี่ไงพายกสูตรทั้งหลายเรานี้มาพิจารณาตามสูตรเนี่ยพูดถึงว่าพิจารณาจิตที่ขนาดที่เป็นขนาดที่ลุ่มหลงยังไงหรือเปล่าเกิการพิจารณาโมหะเนี่นะครับพิจารณาทั้งภายในด้วยพิจารณาทั้งภายนอกด้วยถ้าขนาดหลงจริงๆพิจารณาไม่ได้ครับมันต้องขนาดที่ไม่หลงอจึงพิจารณาได้ตอนอากุศลจิตเกิดเนี่ยมันมีปัญญาอะไรไหมครับถ้าคลอมหลงเกิดเนี่ย มรู้อัดรู้ทําไม่ไม่รู้เพราะฉะนั้นไอตอนที่มีสติมีสัมปชัญญะนี่แหละครับให้พิจารณาโมหะเอาไว้เถอะครับเดี๋ยนะพอกพูนอุปนิสัยที่จะเห็นโทษของโมหะเอาไว้ตั้งกัตต้นให้ดีๆก่อนไม่รอให้โมหะมันเกิดก่อนนะครับแล้วค่อยพิจารณาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับที่ที่ขอการนะที่บอกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยที่บอกว่าจิตมีราคาก็รู้ว่าจิตมีราค า, จ, า, คาจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตมีโมหะก็รู้จิตมีโมหะ แต่บอกว่าถ้าหากว่าอกุศลเกิดแล้วสติไม่เกิดเนี่ยเราเราจะพิจารณาจิตตานุปัสสนสติปัฏฐานได้ไงอถ้าหากว่าเราเอาสูตรนั้นมาใช้ก็ควรจะเอามาทั้งสูตรนะครับ <Okay. S 2> แต่ผมจะยกม า, ากเฉพาะส่วนที่เป็นโมหะเนี่นะเมื่อจิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะเมื่อจิตปราศจากโมหะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโมหะนี่นะครับทนี้ถ้าแล้วก็ถ้า รวบไปตอนหลังบอกว่าพิจารณาเห็นจิตเหล่าเนี่ยเป็นภายในบ้างพิจารณาเห็นจิตอันเนี้ยเป็นภายนอกบ้างพิจารณาเห็นจิตทั้งอ่ะนะที่ทั้งสองอย่างที่ว่าเนี่ยทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นแห่งจิตชนิดนี้บ้างพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมของจิตชนิดนี้บ้างพิจารณาเห็นทั้งธรรมดาทั้งทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมของจิตนี้บ้างย่อมอยู่ สติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายนี้มีอยู่เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยรู้สักว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอเป็นผู้อันตนหาและที่ถิ่ไม่อาศัยแล้วทีนี้ถามว่าโมหะเป็นขันไหมครับเ ป, เป็นอะไรขันมันสังขารขันก็ขึ้นชื่อว่าขันก็เพราะเป็นกองกองทั้งที่เป็นอดีต นะวิชาที่เป็นอดีตวิชาที่เป็นอนาคตอวิชาที่เป็นปัจจุบันวิชาที่เป็นภายในอวิชาที่เป็นภายนอกเป็นด้วเนี่ยต้องเอามาพิจารณาทั้งหมดนะครับไม่ใช่ต้องรอให้เกิดก่อนนะแล้วพิจารณานี่แย่เหมือนกันนะครับผมถ้าจะกําหนดโพธิภพลมบางอย่างผมน่าจะชาตินี้ไม่ได้กําหนดแน่นะถ้ากําหนดโพธิภพลมบางอย่างนะเช่นไปกระทบหญิงเนี่ยนะครับต้องสังขาธิเศตแน่จริงจะได้เลือกล้วนนี่แย่นะครับเสียหายมากนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะ สิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นการเข้าไปพิจารณานะครับไม่ต้องรอให้เกิดก่อนแต่เป็นการเข้าไปพิจารณานะครับเอายกตัวอย่างเนี่ยเด็กๆเกนี่ยนะครับอย่างพระอรหันต์ที่มีอายุเจ็ดขวบและบรรลุเนี่ยนะครับถามว่าท่านท่านต้องแก่ต้องตายก่อนไหมท่านจึงจะมองเห็นความแก่ความตายนะครับท่านต้องเขาบอกว่าบางองค์เนี่ยท่านบอกว่าท่านเนี่ยนะ การมาราฆาหรือกิเลสสมสูรเนี่ยไม่เคยเกิดเลยในชีวิตของท่านโดยแม้ที่สุดในความฝันว่างั้นเถอะที่พระทัพพระมารบทนะบอกแม้แต่ฝันท่านยังไม่เคยเลยอะ่ะเป็นยังไงว่างั้นแต่ไม่ทําไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้นะท่านรู้หมดแหละนะครับท่านไม่ต้องไปเกิดก่อนแล้วค่อยพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นมันยังถึงได้ด้วยปัญญานะครับอนุภาพของปัญญาเนี่ยยังถึงหมด เพราะฉะนั้นไอวิปัสสนาเป็นชื่อของปัญญาปัญญาที่พิจารณาทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนะครับพิจารณาหมดเลยครับอันถ้ารอให้สิ่งนั้นๆเกิดก่อนแล้วค่อยพิจารณานะครับอบายนี่เราต้องไปสู่อบายก่อนใช่ไหค่อยพิจารณาใช่ครับต้องตกอเวจีก่อนอูออเวจีนี่มันทุกขนาดนี้ไปเละลือรู้ที่นั่นเลยเป็นไม่ได้ไหมครับไม่ใช่แน่นอนนะครับ ผลเป็นการพิจารณาปัญญาที่พิจารณาแล้วอย่างถึงว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วจะได้เห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยบางอย่างก็ไม่ต้องเกิดภายในนะครับอ่า น, นะยกตัวอย่างพระนาคาสมาระไปเห็นหญิงร่ายรำท่ามกลางถนนท่านต้องไปร่ายรำก่อนแล้วค่อยกําหนดจิตตชาวายอนนั่นไหมไม่นะครับท่านเห็นร่ายรำแล้วท่านอย่างถึงจิตแล้วซึ่งเป็นสมุทฐานให้ร่ายรำนะแล้วพิจารณาอาการเหล่านี้ไม่เที่ยงหนอสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนาะเจริญวิปัสสนาบรรลุเลยนะครับ อันนั้นไม่ต้องไปร่ารำแบบเข้าก่อนแล้วค่อยกําหนดรู้ไอ้สภาวะอันนั้นนะไม่ใช่นะครับนนมันเป็นเรื่องของปัญญาที่เข้าไปวิจัยนะครับนะอย่างอย่างยกตัวอย่างถ้าเอาราคามาเกิดเอาการมาฉันท่านี่นะการมฉันทานิวรณ์เมื่อการมาฉันทามีอยู่ณภายในจิตก็รู้ชัดว่าการมาฉันทามีอยู่ณภายในจิตเนี่ยนะการมฉันท่ที่ไม่มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ชัดว่าไม่มีอยู่ณภายในจิตการมาฉันท่าที่ยังไม่เกิด เนี่ยนะจะเกิดด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยที่เกิดขึ้นแล้วจะละได้ด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยแล้วพิจารณาเห็นแบบนี้ทั้งภายในบ้างพิจารณาเห็นแบบนี้ทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นแบบนี้ทั้งภายในและภายนอกบ้างนะครับ แล้วพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาทั้งความเกิดและความเสื่อมบ้างเป็นต้นนั่นเองเอางี้ถามว่าชีวิตมีครอบครัวเป็นทุกข์ไหมครับคนมีครอบครัวมีลูกเยอะๆเป็นทุกข์ไหมครับทุกข์แน่ถามว่าเราต้องไปมีด้วยไหมจึงจะรู้ว่ามันสภาวะประจักษ์สภาวะทุกข์อันนั้นเนี่ยนะจะไปลองดูก่อนให้มันซึ้งไปเลยนะต้องขนาดนั้นไหมครับพอแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกันถ้าเข้าไปพิจารณาแล้วอย่างถึงก็เพียงพอแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นโหม้าไปเป็นหมดก็แย่เหมือนกันนะรหรือว่าโหนี่เราจะเข้าใจซึ้งในพุทธคุณนะเราต้องเป็นพระพุทธเจ้านะจึงจะซึ้งเลยไม่เจริญพุทธานุสติเลย น, นี้ก็เสียหายนี้ก็เลยทงเกินไปเหมือนกันนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นควรพิจารณาในการสามนะครับวิปัสสนานี้อารมณ์ในอาใน่าต้องต้องไม่ลืมว่าวิปัสสนามีอารมณ์เจ็ดนะครับอารมณ์ที่เป็นอดีตอารมณ์ที่เป็นอนาคตอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันอารมณ์ที่เป็นภายในอารมณ์ที่เป็นภายนอกอารมณ์ที่เป็น อชตะและก็พระหิทธะนะครับอ่ออชิตะพรหิทธะปริตารมกับมหคตารมสรุปแล้วพิจารณาหมดเลยครับอ่เป็นเรื่องของปัญญานะครับปัญญาเนี่ยนะพิจารณาหมดเลยเนี่ยนะันจึงไม่ต้องบางอย่างไม่ต้องรอให้เกิดก่อนมีัหยครับข้อปฏิบัติเนี่ยเออนี่เออนี่นะโดยเฉพาะการมาฉันทะนะเธอไปทำให้มีการมฉันทะก่อนนะแล้วเธอก็พิจารณาการมฉันทะ อันนี้ไม่มีแน่นอนครับมีแต่ทำยังไงให้กามาฉันท่าให้มันซาที่สุดให้มันเบาที่สุดแล้วจะได้พิจารณาอันนั้นได้อย่างเต็มที่นะครับถ้าระหว่างการมาฉันทากลุ่มๆนะแล้วค่อยระลึกรู้นี่นะครับผมเชื่อว่าสังขาริเศธแน่ถ้าไม่สังขาตทิเศธก็น่าจะปรารชิกถ้าไม่ปรารชิกก็ต้องสึกออกไปนะครับถ้ารอสภาวะอันนั้นมันเกิดก่อนนะครับนั่นนะมีแต่ความสร้างความเสียหายนะครับนี่ก็คงใช้เวลาแต่เท่านี้ก่อนนะครับ